ข้อความในมหาอัฏฐปุรสูตรเนี่ยนะสูตรที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะตามลําดับหรือข้อปฏิบัติของผู้ที่เป็นสมณะสมณะนี้แปลว่าสงบระงับดับกิเลสมันเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับกิเลส ท, ทั้งหลายนะมันข้อปฏิบัติ ด, ดังกล่าวนับตั้งแต่ทบทวนนะหนึ่ง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเฮริโอต ป, ป ะ, ะถึงพร้อมด้วยหฮริและโอตา ป, ปะก็แปลว่าเป็นผู้ที่อายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเกรงใจพวกตัวเองเกรงใจพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองอย่างที่สองเป็นผู้มีกายสมจ า, ารย์ที่บริสุทธิ์3มีว จ, จีสมจ า, ารย์ที่บริสุทธิ์ 4. มีมโนสมจ า, ารย์ที่บริสุทธิ์ 5. มีอาชีพที่บริสุทธิ์6 อินทรีสังวรเจ็ดเป็นผู้รู้จัก ร, รู้จักประมาณในโภชนะหรือโภชเนมัตันยุตาแปดก็ชาคริยานุโยกเก้าสติสัมปชัญญะในะชาคริยานุโยกเนี่ยนะคือการประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่ก็หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ใน เน้นพิเศษคืออิริยาบทสามอย่างเนี่ยนะยืนเดินนั่งส่วนอิริยาบทนอนเนี่ยนะนอนก็เน้นตอนไหนนอนก็เน้นตอนกลางคืนเนี่ยนะเน้นก็นอนกลางคืนก็คือช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองสำหรับผู้ที่บาเพ็ญเพียรคือกุศลจิตของท่านเนี่ยเกิดต่อเนื่องมากเมื่อกลางวันเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายเกิดต่อเนื่องในใจเพราะการพักผ่อนหลับนอนไอ้รับหลับนอนเนี่ยนะ มันจึงไม่จําเป็นสักเท่าใดเพราะว่าชีวิตของท่านพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการพักผ่อนอย่างดีสมมติว่าถามว่าขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นกับหลับแล้วฝันไปเรื่อยเปืนเน่อยเนี่ยนะเช่นฝันเป็นอกุศลทั้งหลายอันไหนดีกว่ากันเพราะฉะนั้นการที่ตื่นด้วยกุศลก็มีเป็นความเป็นการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมกว่าฝันด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ มีความสุขในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายขณะเดียวกันคนที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่นอนน้อยใช้กลางวันและกลางคืนให้เป็นไปกับกุศลธรรมโดยมากเนี่ยก็เพราะว่าท่านเห็นโทษของวะตะเนี่ยนะแล้วก็เห็นคุณานิสงเห็นคุณประโยชน์ของการออกจากวะตะและรู้คุณค่าหรือรู้คุณค่าที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจาก วัตะนั่นเองเมื่อเห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติที่ อ, ออกจากวัตตะโดยที่มีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาซึ่งโอกาสที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติเจริญกุศลธรรมเจริญคุณธรรมตามคำสอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงมีความภูมิใจเนี่ยนะมีความดีใจมีความปราบปลื่มใจปราโมทในกุศลธรรมจึงตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ ทีนี้การคําว่าปฏิบัติเนี่ยนะตื่นอยู่เนี่ยตื่นอยู่ด้วยการเดินและการนั่งเดินเนี่ยเดินยังไงก็คือคนเดินธรรมดาเดินยังไงที่มันเดินได้นานนะนะก็คือการเดินเช่นทั่วๆัไปเนี่ยถ้าไปเดินพล่านทั่ววัดมันจะไปดูสวยไหมอันนั้นคนโน้นก็เดินไปคนนี้ก็เดินมาถ้าอยู่กันยี่สบสาสรูปมันก็เดินขวักขวาเหมือนมีงานทั้งวันมันไม่ใช่เดินสวนสนามแน่นอนนะแล้วเดินทําอย่างไรก็มีสถานที่เดินเช่นเดินกลับไปกลับมา คำว่าเดินบางทีก็เรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับม า, าเนี่ยนะจังกรรมะเนี่ยนะก็คือเดินเดินกลับไปกลับมาไม่ใช่พื้นที่แค่นะ12ศอกเนี่ยถ้า12ศอกเนี่ยเดินกลับไปกลับมาก็เวียนหัวตาย น, นะแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่เดินไกลซะเป็นกิโลกิโลเนี่ยนะไปกลับ1ไป1กิโลกลับกิโลไปกิโลกลับกิโลไม่รู้ไปหาที่เดินแบบนั้นที่ไหนก็ต้องเช่าศนะเช่าถนนหลวงมั้งเป็นที่เดินเนี่นะมันก็ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่จงกรมโดยทั่วไป ระยะประมาณสัก6กศอกความยาวเนี่ยนะความกว้างก็สักเมตรหนึ่งเนี่ยนะมันก็สมเหมาะที่จะเดินแต่ถึงอย่างนั้นสถานที่ปัจจุบันก็หาที่เดินแบบนั้นค่อนข้างยากคําว่าใช้คําว่าเดินนะไม่ได้บอกว่ายอ่อง น, นะเดินกับย่องไม่เหมือนกันถ้าย่องละ่ะย่องก็ภาคสโลโมชันเนี่ยนะก็ค่อยๆก็ดืบก็ดืบก็ดืบไปเนี่ยนะมันถ้าเดินยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยเท่านั้นแต่ น, นี้ก็คือเดินปกติไม่ถึงกับรีบร้อน แต่ก็ไม่ถึงกับว่าย่องก็คือเดินพอดีแบบเดินสบายๆเนี่ยนะเดินแบบผ่อนคลายแล้วใจคิดอะไรก็คิดสมถะและวิปัสสนาก็คือเดินยังไงอ่ะไม่มีกามวิตกเกิดขึ้นเดินยังไงไม่มีพยาบาทวิตกเดินอย่างไรไม่มีไม่ถูกทีนามิทะกลุ่มรุมเดินอย่างไรไม่มีวิจิกิจชาไม่มีอุทะจักปุกุจะเดินอย่างไรบาปอากุศลธรรมทั้งหลายไม่ครอบงำมันก็เดินด้วยเนขมมะคว่าเนขมมะเป็นชื่อของ สมถะทั้งหลายเป็นชื่อของการเจริญกสินหรือการพิจารณาอาการ32หรือเดินพิจารณาอาการ32เดินพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจปอดตับพังผืดม้ามเป็นต้นก็ได้หรือจะเดินพิจารณาอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นบางที่เนี่ยเขาจะมีศพอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ มีซากอสุภะเนี่ยนะเช่นโครงกระดูกเป็นต้นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็เดินไปเดินมาดูกระดูกนั่นแหละเ น, นะเพื่อที่จะระ ง, งับก ร, รมวิตกเพื่อที่จะใส่ใจในอสุพะสัญญาเนี่ยนะใส่ใจในความเป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยนะใส่ใจในซาก อ, า ส, อ ส, ากสบซากศพทั้งหลายหรือเดินเจริญกสินเดินกําหนดกสินเนี่ยนะมีวงกสินสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อเกียดกันไม่ให้อกุศลวิตกเกิดขึ้น อันนี้สำหรับบุคคลผู้เป็นราคะจริตทั้งหลายก็คือเจริญอสุภะเจริญกายยคตาสติกรรมฐานนั่นเองถ้าสำหรับเป็นคนที่มากไปด้วยโรศาส์ก็เดินเจริญเมตตาคือโดยปกติเนี่ยถ้าไม่เจริญเมตตาเมื่อไหร่ก็เครียดและหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่ไม่สบายใจง่ายอยู่ๆมีใครทาอะไรก็ไม่สบายใจแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เน้นการเจริญ เมตตาเนี่ยนะพวกนี้วิตกกังวลตัวเองปฏิบัติคนอื่นไม่ปฏิบัติด้วยก็โกรธและพวกอย่างนี้ก็ต้องอยู่ด้วยเมตตาให้มากๆเนี่ยนะหรือคนอื่นเขาปฏิบัติได้มากกว่ากว่าเราก็โกรธเขาอีกคนอื่นปฏิบัติน้อยกว่าเราก็โกรธเขาอีกหาเรื่องโกรธไปได้ทั้งวันเนี่ยนะพวกนี้ก็เน้นหนักให้อยู่ด้วยกับเมตตาหรือแนวโน้มเป็นคนที่เรียกว่าน้อมไปเพื่อจะโกรธง่ายเนี่ยนะพวกนี้ก็เน้นให้อยู่ด้วยเมตตามันก็เดินเจริญเมตานั่งเจริญเมตตาเนี่ยนะ ก็คิดให้ตนมีความสุขคิดเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขคิดเพื่อใบเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดให้เราเนี่ยมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคิดให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะแต่ถ้าหาว่าทีนะมิธะเนี่ยก็ต้องเน้นเดินตอนกลางวันเนี่ยนะเน้นความสว่างนะเน้นแสงสว่างใส่ใจมนาสิการในแสงสว่างถ้าอุทธา จ, ากธจนะักุกุจละนะก็ใส่ใจในธรรมที่เป็นเครื่องหมายให้สงบประงับดับความ ฝูงร้านแล้วก็วิจิกิจชาก็คือพิจารณาเห็นคู่นานิสงประโยชน์ของการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งวิธีการละนิวรเนี่ยนะก็มีโดยนัยะต่างๆปริยายต่างๆซึ่งจะได้กล่าวต่อไปมันคำว่าเดินก็คือเดินอยู่กับสมถะและหรือไม่ก็เดินเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเดินพิจารณาหมวดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเดินพิจารณาตามอธิตะลักขณะสูตรหรือเดินตาม พิจารณาตามแนวอนัตตลักษณะสูตรเป็นต้นสรุปว่าก็เดินเจริญสมถะและวิปัสสนาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองใ น, ในอิริยาบทยืนเดินนั่งเนี่ยนะก็กลางวันเนี่ยแบ่งออกเป็นเน้นสามอิริยาบทส่วนกลางคือเนี่ยนะช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองก็ตั้งสติสัมปชัญญะนอนตะแคงข้างขวาเนี่ยนะเรียกว่านอนตะแคงข้างขวาตั้งมณสิการว่าจะ ลุกขึ้นโดยระยะเวลาเพียงเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นเช่น ต, ตีสองก็ตื่นแล้วเนี่ยนะ mm. เพื่อที่จะได้เจริญสมถะและวิปัสสนาสําหรับคนที่ไม่รู้ประโยชน์ของการเจริญคุณธรรมทั้งหลายโดยมากจะฟุ้งซ่านและก็เครียดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ประโยชน์ของการเจริญสมนะธรรมไม่รู้วิธีการเจริญผู้ที่ไม่รู้วิธีการเจริญไม่เห็นประโยชน์ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายโดยมากพวกนี้จะเบือ่อเรียกว่าอารติเนี่ยนะ เริ่มเบื่อเบื่อที่จะเจริญกุศลธรรมเบื่อที่จะหลีกเล้นก็น้อมไปเพื่อหาเพื่อนคุยเนี่ยนะผู้นี้ก็น้อมไปเพื่อหาเพื่อนคุยเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถอยู่โดยที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะอยู่โดยปราศจากนิวรณ์นี่ก็นับว่าเก่งมากในข้อ469เนี่ยนะที่กล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างไร คือสิ่งที่มันยิ่งไปกว่าฮีริโอต ป, ปะยิ่งไปกว่ากายสมาจารที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าวัจจีสมาจารที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่ามโนสมาจารที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าอาชีพที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าอินทรสังวรยิ่งกว่าโภชเนมตันยุตายิ่งกว่าชาคขรยานุโยกยิ่งกว่าสติสัมปชัญญะในฐานะทั้งเจ็ดเนี่ยนะอันนั้นก็คืออะไรดูกวามพิสูุ์ทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือ ป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหลอมฝังเธอกลับจากบิณฑบาทภายหลังพัดแล้วเนี่ยนะคือเรียกว่าผ่านไปเรื่องอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าก็คือเน้นว่าสมัยก่อนเนี่ยนะอิริยาบถ ท, ที่นั่งสบายๆนี่เ็านั่งยังไงเนี่ยนะก็นั่งแบบหาอิริยาบถ ท, ที่นั่งสบายๆก็คือนั่ง คูบาลังก็คือนั่งขัดสมาธินั่นแหละนะนั่งขัดสมาธิตั้งกายเอาไว้ให้ตรงเรียกว่าอย่า ก, ก้มเกินไปอย่างงายเกินไปเป็นต้นนะนะอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะว่าถ้าหนั่งเอียงละ่ะถ้านั่งก้มเกินไปพวกนี้มีปัญหาตอ่อร่างกายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามนั่งให้กายเนี่ยตั้งกายเอาไว้ให้ตรงแต่ก็ไม่ใช่เกรง็งแล้วก็ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าตั้งสติแปลว่าตั้งจิตที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ เรีว่าดำรงสติเนี่ยนะก็คือให้สติเนี่ยดำรงอยู่กับสมถะและวิปัสสนาแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือเน้นสมถะดำรงอยู่ด้วยกรรมฐานทั้งหลายเช่นอสุภะกรรมฐานหรือดำรงอยู่ด้วยอาณาปานสติเป็นต้นเธอละความเพ่งเล็งคืออภิชาในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งคืออภิชาอยู่นะนะก็หมายความว่าที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีกามฉันทานิวรณ์อยู่เลยชำระจิตให้บริสุทธิ์จาก อภิชาคือการมาฉันดานิวรณได้และความปทัทธร้ายเนี่ยนะความโกรธความเครียดร้ายที่คือพยาบาทแล้วไม่คิดพยาบาทเป็นอัพยาบาทเป็นเมตตามีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทัทสร้ายคือพยาบาทได้เนี่ยนะก็เป็นการปฏิบัติเพื่อกําจัดพยาบาท นะก็ด้วยอัภยาบาทก็คือเมตานั่นเองดูอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาหรือว่าอยู่ด้วยอุเบกขาบางคนเขสงสัยว่าใครจะไปเจริญทีเดียวพร้อมกันอย่างนี้ได้คนที่ฉลาดในสุขภาพจิตของตัวเนี่ยนะเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้เขาควรเจริญอสุภะเพราะว่าแนวโน้มของจิตเนี่ยไหลไปทางกางมวิตก สมัยนี้ขณะนี้ควรจะเจริญเมตตาจเจริญการุณามุทิตาเพราะว่าจิตน้อมไปในพยาบาทวิตกเนี่ยนะหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นสมัยที่สมควรจะเจริญการุณาคิดง่ายๆวะ่ะถ้าคิดถึงคนที่เราชอบอย่างเดียวนั่นแปลว่ากามวิตกคิดถึงแต่คนโน้นเขาเขาด่าเราทำไมเขาต้องด่าเราทำไมเขามองหน้าเราแบบนั้นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็แปลว่าพยาบาทวิตก แต่คิดอยากจะดา่าอยากจะต่อว่าคิดอยากจะส ร, ร้างความเสียหายให้ผู้ใดผู้หนึ่งก็แสดงว่าวิหิงสาวิตกและคิดกำจัดอกุศลวิตกเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐ า, านเนี่ยนะก็ไล่ตั้งแต่พิจารณาโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยนะพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกแล้วสมาทานอธิษฐานให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นแหละเนี่ยนะเจริญอสุภะคือก็คือกายคตาสติ อ่ะ น, นะอาการสามสิบสองเป็นต้นในอย่างชำนิชำนานเจริญเมตตาทั้งเอ่อโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงเจริญกรุณาทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงเป็นต้นทีนี้เจริญไปเจริญมาเนี่ยนะหายโลภหายโกรธแล้วง่วงง่วงทำไงดีนะเจริญไปเจริญมาเนี่ยนะอาหารก็ก็ย้อยกำลังดีเลยเนี่ยนะง่วงบอกไม่ถูกเลยเหมือนช้างมาล้มทับสักสามเชือกอย่างนั้นอ่ะนะเอาไงดีน้อก็ เป็นผู้ปราศจากถีนมิ tha สำคัญหมายอยู่ในแสงสว่างคนมักง่วงและพยายามอย่าหลับตาพวกนี้นิ่งแล้วเป็นหลับละเนี่ยนะก็พยายามอย่าหลับตาก็พยายามดูน่นอ่ะดูใส่ใจมณสิกาถึงความสว่างใส่ใจถึงแสงสว่างเนี่ยนะพยายามอยากเค่ว่าอย่าทำเป็นตัวทําตัวเป็นคนซ่อนเร้นแม้อยากหลีกเร้นเลอะเกินตอนง่วงเนี่ยนะใช่เลยก็อยากนอ น, นสิเองก็ใช่นะทำเป็นวิเวกในตอนง่วงอ่ะใช่อยู่แล้วล่ะเพราะไม่คนหลับก็ไม่อยากให้ใครกวนอยู่แล้วล่ะ เพราะฉะนั้นก็น้อมไปใส่ใจที่สำคัญหมายว่าสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนะมิทะความง่วงเนี่ยนะที่มันครอบงำท่วมทับก็อดไม่ได้เลยนะพงอกหลับไปเลยอย่างเงี้ยนะทีนี้พอแก้จนหายง่วงแล้วก็ฟุ้งซ่านน้ำคาญต่อแล้ว ฟุง้งซ่านเอ้ยมันฟุ้งอ่ะนะสั่งสมอุปนิสัยที่ฟุ้งพล่านไปเรื่อยเนี่ยนะเอาไงแน่แล้วก็คิดไปคิดมาไอ้เราก็ไม่ค่อยคนดีเท่าไหร่เนี่ยนะนึกถึงความเลวอย่างที่หนึ่งของเราคิดถึงตอนโน้นเราก็ชั่วตอนนี้เราก็ใหมด่ดีตอนนั้นก็โอ้ยทาเป็นอะไรนะเหมือนคนชําระความเลยเนี่ยนะแม้มองเห็นความไม่ดีของตัวเองโดยนยิยต่างๆเรานี่เลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้นั่งด่าตัวเองส่งไปอีกก็มีวัา น, นี้แหละชาระจิตให้พ้นจากกุกกุจจะ นะเพื่อที่จะกำจัดความเดือดร้อนความรำคาญในภายในเนี่ยนะชําระจิตให้บริสุทธิท์ทำใจให้สงบในภายในด้วยการชําระอุทจักกุกุจั